20. ความสุดตรงสองด้านในธรรมจักกับปราวตนสูตรวงเล็บเปิดสเอดพฤษภาคม 2550. นาจุดจุดนาที 6. วงเล็บปิดสิ่งที่ผิดมีอยู่สองอันไม่เผลอไปก็เพ่งไว้เป็นเรื่องของจิตรุนร้วนเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อฟังธรรมจักนะไปอ่านไม่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้านะตอนนั้นไม่รู้เป็นไสเดือนกิ้งคืออยู่หรือเปล่าไม่ได้เจอท่านนะอ่านธรรมจัก ท่านสอนเบื้องต้นเลยนะสิ่งที่บัรพชิตไม่ควรเสพหรือนักปฏิบัติไม่ควรหลงไปมีสองอันการทำตัวเองให้เพลิดเพลินในการมาสุ ข, ขาลิการุโยกคือตามใจกิเลสไปอีกอันหนึ่งคือการบังคับกายบังคับใจ เราฟังทีแรกอ่านทีแรกเราคิดว่าเป็นเรื่องทางร่างกายทั้งหมดเลยอย่างทําตัวประกอบไปด้วยกามก็ต้องไปดูหนังฟังเพลงกินเหล้าเมายาเฮฮาไปจีบสาวจีบหนุ่มถึงจะเรียกว่ากามเรามองแต่ของหยาบหยาบเสร็จแล้วก็บอกว่าท่านห้าไม่ให้มีการบังคับตัวเองเราก็ไป น, นึกว่าอัตตะกิลมัฐานุโยคคือการไปนอนบนตะปูยืนขาเดียวกลั้นลมหายใจเอาไว้พุทธประวัติไปพูดเรื่องนี้เอาไว้คล้ายๆพูดเอาไว้ก่อนแล้วไปไกด์ ในวงเล็บชี้นําให้เรารู้สึกตามแต่ก่อนยังสอนกันด้วยว่าก่อนท่านจะบวชท่านเป็นเจ้าชายเห็นไหมท่านสวยกามมาสุขมากมายเลยเราก็วาดภาพมากมายเลยว่าต้องไปสวยทางกายเสร็จแล้วพอท่านมาออกบวชท่านมาบังคับตัวเองอดข้าวอดปลากลั้นลมหายใจอะไรต่ออะไรนี่ท่านทรมานกายเห็นไหมไม่เห็นมีใครพูดเรื่องทรมานใจ เสร็จแล้วทางสายกลางก็เริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะดูๆแล้วไม่เห็นมันเกี่ยวกับเรื่องการตามกิเลสออกไปหากามกับเรื่องทรมานกายเท่าไหร่ทำไมทางสายกลางกับความสุดต่งสองข้างมันไม่แมชในวงเล็บสอดคล้องกันความสุดต่งสองข้างเหมือนเป็นเรื่องทางร่างกายใช่ไหมแต่พอมาถึงเรื่องการปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นเรื่องทางจิตใจเสียส่วนใหญ่อ่านแล้วก็งงๆนะ พอภาวนาพอเข้าใจเราถึงรู้ว่าความสุดต่งสองด้านมันไม่ใช่เรื่องกายหรอกมันเป็นเรื่องทางใจเรานี่เองหลวงพ่อถึงพูดเรื่อยๆว่าอย่าเผลออย่าเพ่งนะกรุ๊ปในวงเล็บแบ่งกลุ่มออกมาให้เป็นภาษาสมัยใหม่เผลอไปก็คือใจเราหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเพลดิดเพลินตามกิเลสไปเรื่อยๆดังนั้นใจเราจะไหลาตามกิเลสไปนี่เรียกว่าสุดตงไปข้างตามใจกิเลส ไม่ใช่เรื่องทางร่างกายว่าไปดูหนังฟังเพลงนะใจเราต่างหากตัวสำคัญทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสาเร็จได้ด้วยใจพอมาอัตตะกิลมฐานุโยกหลวงพ่อไปสังเกตดูนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยบังคับกายบังคับใจทันทีที่คิดเรื่องการปฏิบัติถ้าไม่บังคับกายก็ต้องบังคับใจมีอยู่แค่นี้เองสังเกตไหมอย่างเราหายใจสบายๆพอเราจะภาวนานะ เริ่มหายใจไม่เหมือนมนุษย์ปกติแล้วหายใจแข็งแข็งขึ้นมานะมีจุดกระทบตรงโน้นตรงนี้เกินธรรมดาขึ้นมาหรือจะเดินก็เดินไม่เหมือนคนธรรมดาใช่ไหมมันมาจากใจที่คอยบังคับกายบังคับใจตัวเองถ้าเมื่อใดจิตใจของเราไม่หลงไปในโลกของความคิดไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงได้หกทวารแต่หลงทางตาหูจมูกลิ้นกายหลงแวบเดียวชั่วขณะเดียวที่เหลือมันมาหลงทางใจ หลงทางใจที่มากที่สุดเลยคือหลงคิด